แต่แดงพระธรรมเทศนาข้ามสั่งสอนของพระธรรมสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพรบุญันเลมีของการทะยกทะยิกาตามสมควรแก่การเวลาที่จ ะ, จะแสดงไปได้เมื่อผสมค์จะแสดงเอา จะพอใจควมหาก จ, จะแตแดงงอมทรอมไปแจงว่ากำลังมันจะไม่พอจะพูดอธิบายเป็นบุคคลาภิฐานป่าทั้งหลายสร้างแจงว่าบุคคลเราจะ แ, แดงเรื่องภาก มุกคนเล่าจั้ยิงเลชายมีถาดจุหกมีถาดจุหกถากการที่แสดงถาดเห็นว่าพวาออกกรอยากยอมถ้าการแสดงตรวจมุ่นได้อยู่พ่อจะฟังเข้าใจเพาว่าถาดหกก่อนหนึ่งถาดดิน อย่างข้าเราเคยสวดไปแล้วสองถาดนา้ำสามถาดไฟสี่ถาดลมหาถาดอากาศหกพืน้นหถาดคนเรามีถาดหกแป้ถาดทั้งห้าเป็นถาดที่ไม่รู้เส็นถาดดิน เยสเบตถาดน้ำสิบสองถาดไฟหกหรือถาดล่มอะไรถาดลมหกหือถาดลมซี 4, ก็าตามให้เขาเอาไม้ใจข้อว่าถาดทั้งห้าเนี่เป็นถาดไมโลนี่โลโยเรียกว่าวิญญาณถาดวิญญาณถาดก็วินนี่หกเหมือนกัน หนึ่งจกโววิญญาณก้มรู้ทั้งตาสองโสงตาวิญญาณก้มรู้ทั้งหคว้มรู้ทั้งตาเคยรู้โลกหรือวัตถุสุกเสิยงทุกอย่างที่ตาเรามองเห็นเรียกว่ารู้ทั้งสิน้นรู้ทั้งหมดที่ตาเรามองเห็น โสตาวิญญาณเสียงทุกสียงทุกอย่างที่หูเราได้ยินเรียกว่าเสียงเสียงก็นับเป็นธาตุเหมือนกันเสียงเช่นเราได้ยินใน้รูวัตถุไว้นอกที่เรามองเห็นก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันขันธ์วิญญาณข้องโลทั้งจกโมหรือดัง คือรูกลิน่นทุกสิ่งทุกอย่างเหม็นหอมรูได้ค้อมรู ก, ก็เรียกว่าถาดกินที่เรารูแต่ก็เรียกว่าถาดเหมือนกันแกงโมก็เป็นถาดเหมือนกันค้มรู ก, กินก็เป็นถาดสิ่นที่เกิดจากวัตถุสิ่งไหกนั่นก็เป็นถาด จะไปกินอะไรก่อการกินเกิดจากอะไรจากดอกไม้หรือจากอะไรทุกทิ่ทุกอย่างที่จินเกิดเกิดเหลียมหัวฉากชื่อว่าวิญญาณข้อมลูทั้งเรนยนข้อมลูทังเรี น, มรนไม้ลูลดทุกสิ่งทุกอย่างรสหวานรสเค็ม โนทุกอย่างเรนท่านก็เรียกวาา่าธาตุรถนั่ก็เรียกวาา่าธาตุรถเกิดจากสิ่งใดจากคนไม้หรือจากสิ่งใดก็าตามสิ่งนั้นก็เป็นธาตุร่างกายของ เ, งเล่าท่างก็เรียกว่าธาตุกายเยยนเป็นญาณองบรู้ทั้งกาย ความร่างกายรูดจักสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเวทนานี่ถึงก็เรียกว่าธาตุด้วกันกายของเราก็เรียกว่ า, า, า, เ, า, วาเป็นกองาธาตุด้วยแล้วซึ่งที่มาถูกต้องร่างกายเย็ยนเรือร้อนอ่อนหรือแข็งฉันก็เรียกว่ า, าธาตุนั่นกัน เวิยนานก้มรู้กเาเรียกว่าถาดนั่นกันอนนมโนมโนเวียนยานข้อมรลทั้งใจมโนทางกาเรียวศักดิ์มโนธาตุนิวธากดิ์นั่นกันธรรมะธรรมล่มกาเรียวถาดเวินญยญานข้อมรล ข้ามโหโลธรรมรมมีประการต่างๆรเรียกว่าธาตุร่วมสามโหกุลธาตุที่แปดแต่ธาตุทั้งหลายนอกนั้นมาสามขั้นโยมโนธาตุในมโนวิญญาณก้มโลทั้งใจ แต่คงรูทั้งตาหูจมูกเล่นกายเรื่องงันหานี้เป็นอาการกิรลยาไม่ใช่ตัวรูตัวจริงเป็นกิรลยาของใจ <c oughs> แต่ถ้าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดกับรับพร้อมกันเสียนอาเล่านอนรับเวลารับกันรับของกันหมด เวีย่ ญ, ญาณกงโลทั้งตาหัวตัวกลีนกายดับลงไปนํากันเวลาเตือนก็เตือนขึ้นมาฟ้องกันจะเรียก ว, ว่าเกิดกับดับร่บรอมกันแม่รักท่ำทัเทียบว่าโลกท่ำแรง น, น้ําท่ําเนอาศัยซึ่งกันและกัน ก, ก, ก, ก็มโรูท่าก็ไรแกรู้ ร่างกายถ้าเสีเยนน้ำลงไฟเนี่แหละเรียกว่ารูภธรรมหรือว่าโลรูปภาธรรมน้ำธรรม <c oughs> หมายเวทนาเครื่องใจสวยสุขสวยทุกข์และความเป็นกลางๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำที่หนึ่ง สัญญาความจําได้ไม่รู้จำสิ่งต่างๆจำสีเหลืองสีขาวสีแดงจำเลี่ยงต่างๆที่เล่าจําได้ไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาเป็นนามที่สามนามที่สี่เรียกว่าสังขาน <c oughs> สภาพที่ภูมใจ คชดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วยังต้องคิดกันอยู่ตามธรรมดาเน่ยแหละบางครั้งเราก็คิดดีบางที่เราก็คิดชั่วบางที่ก็คิดบ่ดีบดชั่วเป็นกลางๆเรียกโอเบคคาเวทนานี่เป็นพ่อจะเรียกว่านมำคิดสร้างขาง อันนี้วิญญาณก็น่าต่างแต่ร่วมทั้งหกนั้นก็มาร่วมคอยดูที่มนุษวิญญาณเคยคงโลกสรงใจเป็นผู้รับโลกมนุษวิญญาณนี้จะนับว่าเป็นคิดแท้คิดเดิมก็กโกรกแต่ เป็นข้อเด่นอนที่จะนาหรือคนโลก เ, เรียงตัวของเราค้อมข้อมมีตนมีตัวของคนเราทั้งยิ่งและสายคือมีตนมีตัวเป็นบางข้างไม่มีเป็นบางข้าว ที่วันนีเป็นบางข้างก็มีคณะที่เล่าเตือนจากหลับเวลาชาหล่างนาลัางตาแล้วก็มีตัวมีตัวเือตัวคือตัวเธอเล่าเธอเขาจำได้ไหมลูนึกคิดไปตามต่างๆสั้งคันปรุงแต่งให้นึกคิดไปตามอารมณ์เลี่ยงๆต่างๆ เมือ่อขณะที่เราหลับตัวของเรกไม่มีไม่มีตนมีตัวทั้งวัร่างกายไม่อยู่มันก็ไม่รู้อะไรมันมัน ร, มนรู้จักทุกมัวรู้จักทุกแต่ร่างกายร่างกายเรานอนอยู่ที่นอนของเราแต่ควนรู้สึกนึคิดก็ไม่มีมัม่มีอีกหล้ก หนึ่งังแค่รียกว่าร่วงข้างโลกข้างน้ำนี่งั้งแค่กล่าวว่าเปลี่ยนสภาพศูนย์ขอเจ่คก้นคิดว่าขาดหน้าที่แล้วนอนหลับต่อเขาเรงมันไปใสมันว่เมี่ตุนไม่ตั ว, ต ว, ตวนี่อยู่เจนโลกไม้ใไ่เขาออกเปืนเชียงไม้บอกว่ายังไม่ตาย เห็นร่นหายใจเขาออกดูตรอดแตเห็นว่าโมมีล่ลองเลยก็ บ, บอกว่าตายึเงินก็ต้องมิกลด้วยการต้องแข่งไปงมดทั้งเทา้าทั้งตีนทั้งมืออย่างไปบรรทุกสื่อของยังก็ขาดล่องหายใจเขาออกจังเลี่ยหมายว่าร่องหายใจเขาออกนี่เป็นแจงบอกว่ายัางไม่ตายอันนี้ท่านว่า ราตนว่าล่อมหายใจเขาออกเีเกิดจากจิตคือเกิดจากจิดแ้่ใจเดิมคาราที่เรานอนหลับเรียกว่าจิตเขา่าทุกวัน <c oughs> เหมือนพันลาชาเขาบรรทมในที่บรรทมหรือขาลาราชการเลิกงานจากร่อมสาม เมือเปลี่ยมันล่งแฝงฟ้าเขาไม่เปิดเมือ่องนางเขาไม่เปิดฉายถึงมุกคนจะไปดูกงไม่มีสิ่งจะดูอาคิดของเหล่านี้คิดใจแทอคิดใจเดือเป็นคิด่วงเดียวแท้แท้มากกว่าทั้งหลายทีนแสดงว่าโลกน้มขันหานี้ เป็นสะผากศูนย์ข้อมาศูนย์หมายข้อมาบมีข้าวมาบมีหมายข้อ ม, ม า, า, มาบมีสลาแกนสารคข่ๆข่กับแสงกระแสไห้ฝ่าเลื้อเข้าใสหนังออกไปก็โดตรจจออเป็นหลูต่างตงเกิดเกิดจำรัรกหลบหนีรับไปหลบเลื่อนเกิดขึ้น แค่ยูยังนั่นอันนี้คิดแท่ใจเดิมของเราก็เหมือนกันขณะที่ตื่นเร็ว่าตื่นมาทาาํางันชาดขณะที่เมื่อตื่นมาท่ามันชาดก็ ต, ตนของเราจังมีจังมีความเชื่อตนเชื่อตนถ้าคิดแท่ใจเดิมบ่มาจะเชื่อร่อางกายนี้ว่าเป็นตนเป็นตน ตัวเล่าท่านยิ่งท่ายเลยไม่มีตุมมีตัวตัวละวอนไอคิดนั้นคิดแท่คิดเดิมนั้นแค่ไปเชื่อ ว, ว่าเป็นตัวเล่ากะฝันว่แมนอีกละกบว่าแมนถ้าเรียกว่าไม่ชอบเจ้าคณรู้โอเบลีคุุ่รผ้าจานโอ้าฟังกนหน้าเห็นคิดเห็นใจของตนแล้ว จะไปเที่ยวว่าเป็นตูนของตูนก็ไม่ชอบเชื่อว่าไม่ชอบคือมันเป็นสาภาพอานหนึ่งตั้งหากหากว่าจะาเชืออเ่อว่าเป็นของของเราเกาก็ได้บางแต่เป็นของของเรา่อนไม่อยู่ใ น, นบัณฑิตบัณฑาตของเราเอเีแหละนั่น ถ้ามาขันสงเจ้งพ ร, ระเทศเศษหม่ไม้ไมตัวไม่ตัวแม่แต่ลักษณะญานโคพิจนาโรน้ำขันหา่าถ้ามีญาณคมโลแล้วเรียกว่าไตลักษณะญานเรือปรีชาา่าญาณพุทิมีลงตาเห็นธรรมเรือเรียกว่าธรรมะวิจยญ ความสอบตองรรทำเส่นว่าบุคคลเลขาโยค้าวจรจที่มีทร ม, มาเป็นอยารคความสอบต้องทำก็เพราะว่าไม่ดวงตาทรรมแั่ที่เรียกว่างงร่องกล้งโลเป็นดวงตาทรรม ขอจองว่างใด้เป็นสลาแกนสังเป็นตเนตเป็นตัวของเราเมื่อตรอจดูแนธาตุสีเดียงนาลมไฟก็ไม่สิ่งใหม่นี่สิ่งไดจะรับว่าเป็นตเนตเป็นตัวของเราและไม่รู้มาชี้อะไรทีอีกตลอดัังแวธนาความสวยทุกสวยถูก เราจะเทวาเล่าสุขวนทุขของเราเมื่อเทว่าตัวเล่าก็ไม่ได้อีกเพราะความทุกข์โลกเกิดแต่เหตุเมื่อจะรับไปก็รับไปเพราะเหตุคือสิ้นเหตุเหตุที่ว่าจะไม่เกิดทุกข์มันจืดไปจางไปจะยั่งลูกใจเสียเมียใจอยากเกิดโศกสาวโศกาไล่รองให้โยเป็นเดือนเดือนหรือหลายวัน เมื่อน่าหลาไปก็ค่อยจิดค่อยแางไปหายไปความสุขหนึน่งโดยความสุขวางสิงบางอย่างที่ลเรกได้สิ่งสมบัติสึ่งใดสมปรารถนาเกิดความสุขดีใจเรียบร้อย ส, สุขใจดีใจมีความดีใจท่นนั่นไปก็ค่อยจิดไปแางไปตลอดมดทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดทั้งควอมสวยค้อมงามของลูกายกะเียมไปคือการมบดถุกเั็นตัอย่างแต่เมื่อเริ่มเป็นหนุม่มเป็นสาวก็ดูทิ่ฉันมันนาเป็นฝั่งสวยงามพเพราเย็ยงได้กว้าชใช้ได้เมียตก็ไปละ่ะะเียมจากควอมสวยข้อมงาม จีแองก์แจกกลงไว้กลงสวยก้องน่าเรียกว่าตายเออตายเนยไม่เข้าเวลาไปสิ้นไปหายไปมื้องสวยกล้องงามหายไปเส้นวันน่ะอะไรก็หายไปก็เรียกว่าตายแต่เฉลี่ยว่าตายพวกมิดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพอเกิดเขาปฏิสนวันใดก็พ้องกันเลยพ่อเกิดแล้วก็ ข้อมเกิดกับข้บาลาลาอมแสนาตัางแ่ก้าละละอัมพตตา เ, เาปสีขับพระที่ตนที่แหละแต่เปสีนี่สํารวจนักตัางแต่อยู่ในขั้นพระท่านได้ขอดาธิบวลลไหอียกไปคนนี้สมมุทรปูดจงว่าตายไม่เข้ากับควอมเขียมหรือขวอม ความละควอมเชียอความเปลี่ยนข้อมแปลงแลืวขอมสูนความหายเรียกว่าตายพอถือค้อมขับใจก่อสิ่งที่เมตตาก็ไม้คิดแท้คิดเดิมตาจโยกพ่อพี่สุดให้ขอคิดหรือให้ขอพี่จารนา เช่ว่าหลดน้ำคันห้าเปลียนสภาพศูนย์ขณะที่เรานล่ น, นหลับมันโมมีโมมีกวมหลุดรื้ึกมือคิดสิ่งใดฉันจะเรียกว่าเป็นสภาพศูนย์กอเกิดจากสิ่งเดียว้ า, เ, า, ว า, า, ราเรียกว่าจารณาคิดเรียกว่าจิตเกิดจากใจ คิดเกิดจากคิดแทะใจเดิมความคิดพวกหลายๆเป็นอาการของคิดแทะใจเดิมบางอาจารย์แสดงว่าเข้ามาจิตนี่เป็นอาการของใจยาที่ยวกศากิหในฟังไงบ่มโนภกพังคม า, ม า, มนนามาธรรมะมโนเจ้าทามโนมายาท่ามทั้งหลายไม่ใจประเสริ เนื้อท้ำทั้งหลายเมื่อใจเป็นใหญ่เมื่อใจเป็นประทานการนทำบุญทำบาปทำเรื่อลีวโดยใจเข้ามาใจแปลว่าธานโลกเหรือว่าภูโลที่ว่าจิตหมายจิตตัางแปลว่าเนื้อคิดกห็หมายใจนั่นแหละเนื้อคิด ท่านที่เรียกว่าอาการข่องใจก็ถูกซึ่งงที่บมีใจโต้คือบบมีคข่มโยังโล่จกรตาอยู่ในตลาดและโล่อไรต่างๆที่ล้วปันเรื่องแตง่งขึ้นทีเรามองเงินโดยตาที่พัฒจากใจมันโบมีนึ่งโมี่สิบโบมวนว่าร้อนว่าหนาวโบมีคข่มโล่ข่มโกรธขมหลง โมมีก้มดีก้มส่วนโมมีก้มสุกก้มทุกผู้ที่หับลู่ว่าสุกรู้ทุกเป็นใจผู้เดียวเป็นผู้รับลู่ลู่สุกใจกอดเตว้สุกเมื่อทุกเกิดขึ้นแต่เหตุสิ่งใดกอใจเป็นผู้ลูทล่ทุกเหล้วกอดเตวยทุกเวทนาแปลว่าเสวยทุกเวทนากระไม้ข้ามว่าใจเสวยทุก สุขเวทนาไม่เข้าใจเสวยสุขเข้ามาเสวยเสวยกิดมาหมายใจแหละรัเสวยตั้งแต่พระมหากระตั้งไม่หลวงก็เรียกว่าเสวยคือกรนมมุขอนแต่ก็เรียกว่าเสวยโมเรียกว่าจินว่าฉันเรียกว่าเสวย อันนี้ภาษาของใจทีจะสวยอารมณ์เป็นทุขเป็นทุกข์เรียกว่าสวยเหมือนกันท่านนี้ควอมเธอตัวืธอตัวของเล่านี้ไม่เป็นตัวจริงแทเรื่องอย่างไรคนนี่เป็นของคนคิดขวอมเธอเล่าเธอเขาเธอตนวเธอตัวเธอตัวเล่าเลยตัวเก่งหรือไม่ เล่าใดหรือบมใดจะถือเอาจริงจริงที่ไใดผูกข้องกับที่ตัวคือถือรูปหน้าเม่ละไม่รู้วท่นหน้าตั้งขันวิญญาณที่ตัวโอ้ประท่านมายึดถือว่าเป็นตัวเคยคิดแทกที่เดิมนั่นแหละมายึดมายึดถือ ร่างกายเนี่ยว่าเป็นตนเป็นตัวมาส ม, มุตสถือคล า, ายก็เล่าหมายคาอว่าคิดใจของเราแต่พูดถึงเหตุอย่างพวกเล่าทั้งหลายพูดทั้งพูดตายไปแล้วหรือพวกเราก็จะต้องตายเหมือนกันจะตายด้วยโรคชะลาหรือพัยที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็าตาม เมื่อเจดแท่ใจเดิมท้นสู่ทุกไม่ไหวเส้นพ้นเกิดไฟใหม่บ้านเรือบานแพพังอยูกใจพอตั้งละบานเกา่าไปหาที่อยู่อีกใหม่หรือไปสร้างขึ้นใหม่อันนี้จะร่างกายของลลกทุกคนนี้เมื่อจะเกิดชรา ตายโดยมชราข้มกแก่ตายในพระญาติขมแจแขกที่ตาย้วยพระญาตินี้ไม่ได้เรียกว่าเล็กๆกใหญ่หรือหนุ่มสาวแ่าแกขนาดไหนตายได้คือกันที่ว่าตายก็เพราะท่อนโยงเหว่ไท่อนสูบชุบจเรียกว่าชาตุขุชลาทุกมาลานทุก พร ญ, ญาีิทุกทุนตัวทุกเวทนาไม่ไหว อ, อัตอละกษณลางเก่านี้ออกไปแสวงหาที่เกิดเรียกว่าสัพเพเวสีที่ไปแสวงหาที่เกิดอย่างนึงเรียกว่าปฏิสนุนสิวิญญาณรั้ง์ี้ยงละจะลางไปก็มนิความรลภซึกนึี ค, คิดเกิกัน แสดงให้ที่เกิดสมมติเราผู้ตายจากสัดร่างกายในปัจจุบันนี้ผู้ตายไปแล้วผู้หญิงตายง่ายเอ า, อาปลาลุงเขอาเรา ท, ที่ว่าตายไปแล้วพอกินอะไรจะแรงแสวงให้ที่เกิด <c oughs> การแสวงหห้ที่เกิดนี้ชาแจ๊คเทียบก็เหมือนชายหนุ่มแสวงให้คู่ค้อง เรือหามียการใส่แรงฮาเมียกพอใสแรงหาตามชาติตะกุลองตนพ่อเสาหน้ากรรมชัดแต่งงานกับพปกดเาหน้าพ่อพ่อข้ากรรมก้แตง่งานสลดกรบโปรพ่อค้าและพวกขราสการนี่เป็นคนขนาดกลางแล้วด้ชอบขอบลกเสาหน้ากะแตงเอาขอบลก พ่อขา่ขาข้าราชการด้วยการกระแตงเอาแต่ว่าพวกเล่าเศ้าหน้านี่นี่เป็นแก้พวกหนึง่งแต่โปรดไม่ธรรมะน่ า, าเป็นชันตามพวกเล่าสูงไม่พวกกระตรดไม่ได้สมรดก็พวกได้ใดเลยพวกกระตัด ท่นพูดในทั้งถ้ำท่านบัญญาลววิวันนาซีวันณะจะพูดในประเทศไทยเรางานวันนาการะสัดเป็นสูงที่สุดศาสกตร์กระสัดเป็นศาสตสูงที่สุดสองสันแพรบ้บนจำย า, าจำพิดก็ได้วันาาวนากระสัดวันณาแพรวันนสูตร านากาตรนี่มได้ไปส้มลนรวมไข่ไข่ทั้งนั้นเลยส้รกับอากศโยกันเพราะเอาตร์รพกแขกท่านเรียกว่าพวกนายทุนกับไม้พวกข้อขาจะไเรียกว่ารื่องทุนเนยจคิดก็ได้เรียกว่านยายทุยน จเจ้าหมายของเรานเป็นแท็กเรียกว่าพ่ะคนงานหรือกรรมกรยิ่งแต่งงานตามทานะศาตระกนของตนของตนการเผแสดง้าที่เกิดกระคืบกันถ้าผู้ใดไม่บุญก็แไปว่าเกิดที่ดีได้ถ้าไม่บุญไม่กุศลมาก หรือท่ามเจีตใจสูงกว่าเดิอคนทำราจาสมาเกิดเป็นถ้อยคาหมากระันใดเหมือนกันตว่เาเป็นททเทพบุตรเทพเาดาใดตลอาเป็นอริยาบุคคลในโลก่พทั้งศาสนาต้นไม้อริยาบุคคลนี่สูงกว่าตลกดั้งหมดนาฏิโพเทาเร็จเป็นผ้าโซดาบัน พาโซดาพาโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลร่วมความเรียกว่าโซดาบันสักาทามากามาสักาทาคาผลร่วมเรียกว่าอนาสักาสักาท่าค่ามากโคจน นาเตอา่าขามคณาเาเรียกว่าอาณาขามอัลฮัตตมะฮอัลฮัตตอเีบุค้นทะเลวัดเกศกันพวกนี้สูงทั้งพระมหักระสัเชื่อว่าเป็นแก่บุญของโลกแม่ตัวทุบตีปนน ในสังกันนจนี้ว่าบุนยากเขตต่างโลกกัด ส, สติหมอยก็ว่าพระสงฆ์นี้เป็นเขตบุญของโลกอันทะเลกันแลย่อไม่ยกมือไหวก็ยังได้บุญนั่นว่าเป็นเขตบุญถ้าเป็นผู้มีสิ่งบริสุดอั น, นเหรอข้อมเอต้นเต่อของเราเมื่อเป็นของใหม่ใน่นอนอยพิจารณาดีๆอันนี้ผู้ทั้งคงเกิดเอก การแท้งหาที่เกิดหรือจะหมายจะพอที่เกิดไม่เป็นของเนนนอนเลยบางที่พ่อแลแม่เลยเกิดเป็นลูกของลูกกูมี่บางที่เลเกิดเป็นลูกของหลงานกูมี่แม่ต่างชาติเก่าบางที่เลยเกิดเป็นทันเดสระสามเป็นสุนัขสุกรหรือเป็นงอกเป็นคอยแม่มันได้เล่นกันได เป็นได้ทุกอย่างใน่ก็วา่าถ้าพูดถึงคนบาปพูดถึงคนบาปสามารถจะเกิดได้ทุกประชันจะพูดอย่างหยาบคายที่สุดในผ่านบัรลิศ ส, สุดแสดงแรงคนผ่านค น, น, นบาคนไม่มีศีลคนไม่รักศีลเลยไม่มีท่านไม่ยึดดีในท่านไม่ยึดดีในศีล ส่งหลักสมวยอะ ป, ปุ่นจีทำแต่บ่แต่กรรมบุคคลตัวแปรนี่จะน่าสามารถตายได้เกิดแด้เกิดใน้ของเท่ได้ลงมโอดล้งโกลหรือของทท่บุตรที่เงเอาก็ไไรได้ไดผ่านแดงเรียงผ่านเขาร่วมกัน เป็นโซ่เดียเ่ยวความเลวว่าพ่านบันดิสุเป็นพระสุไม่พระไตี่โดพูดย่างหยาบค่ า, ายสิสุดถึงไปเกิดเป็นไม่ลุ่มโม ล, ลุ่มปูดของทีบุรที่นาวก็ไม่เพรางว่าธารมากเกิดเป็นนอนใดายคิดใจคนเรานั่จึงไม่ข้องประมาท เกิดเป็นง่วเป็นค้วยเป็นอะไรเลยมดุดไม่เข้อทุกข์ก็ตมไม่เรียกวัเยเล็กวยใหญ่จึงยังเราสวดกันที่ว่าสัพเพอาจภาวะปิยาปนากรรมาตาการสิ่งนี้มันเกิดเป็นหนอนอยู่ในทองแล้วเรียกแล้แเ ม, มท่องก็ไม่ค้นมาเกิดแค่เรากรรม เขาา้ามากำบาปมักดสวนกรรมนี่จึงน่ากลัวที่สุดเป็นฟูกเก็บกรรมก็เรียกว่าจิตแท้แจ่เดิมเหมือนเดียวนั่นแหละอธิบายเรี <c oughs> ่องคิดแท้จะเดิมตามีสักหน่อยคาทิ้งขาะที่เล่านอนหลับตัวเล่าไม่มีนี่เหลืออยู่ที่เล่าหายใจเขาออก เดิเชียงไม้บอกว่านัางไม่ตายแกจิตแกจิตเดือดในยุนันแหละเขาอยู่แน่เรียกว่าพระวังขจิตเขาโซพระรังแกบกับแกบขี้เดินเขาบันทมในพรหลักพระวังในที่บันทมของพระองค์คล้ายๆอย่างนั้นเรียกว่าไม่ทั้งงานศาสตร์เรียกว่าพักงานเมื่อพัก ง, งานแล้วความวาทันบุคคลอนบุนี เมื่อไปพักเกิเป็นนั่นช่างเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เมือม่อมาเกิดเป็นคข้นก็เรียกว่าจิตคข้นเมื่อไปเกิดเป็นสัด ก, ก็ตอนไหนเกเรกว่าเป็นจิตใจของสัตว์นั่นนั่นขณะที่เราต้องหลับบางคนก็นเพอแล้วเมื่อฝันเราเรียกว่าไรหายก็เกิด คิดตรงนั้นละ่ะเป็นสร้างขานวงเรียกว่าอาัศัญญาอาดีตมันจำได้ใบมดที่คเคยชิ่มวงแตงหลอกเจฉาตัวเดี๋ยววัดเนี้ยอาดีตก็ได้พบเจอที่ลายที่กลัวมาอย่างใดอย่างหนึ่งลองให้ แล้วเราเรียกว่าไหลให้นี่คนหนึงได้ยินก็ไปเรียกเรีวยว่าไปปลุกไปปลุกตื่นขึน้นไปคิดตวงนั่นแหละตื่นขึน้นตื่นขึ้นบอกว่าฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้ก็นม่คิดตรงนั้นหละนั่นพ่อหลุดซึ่งตัวแล้วก็ปล่อยให้นอนหลับแล้วก็มานอนคิดตรงนั้นกรลับไปเอกเรียกว่าไม่ทํางานหรือบางที่ นี่ที่ที่เห็นว่าเป็นจิตร่องเดียวเป็นใจร่องเดียวบางทีเลยพัฒมาย่ามยาอย่างนี้มีอาการร้อนทะเล็กแม่มีอาการหนาวแล้วนอนที่แรกแล้วกนอนใหม่ห่มผ้าอันแรกแม่มันหนาวก็เลยเึืว่าได้หนาวตอนนั้นดึงผ่ามุาห่มแล้วก็รับไปเอกแล้วตื่นบาทํางานตื่นมาทำงานฝา เขาเลื อ, าาลล อ, ลอลลกจจาา้อเท่านั้นแหละนี่แต่ก้อนซื้วันหนาวเท่านั้นเรียงรูเท่านั้นรูไปอื่นรูเลียงอื่นพอถึงเวลาเต้นจริงแย้มรูงเต้นเศ่้าจริงล่างหน้าลัางตาแล้วพ่อเต้นเท่านั้นแหละเมตนาน้ำทั้งสีเกิดมาพ้องกัน พอเก็กแท้เก็กเดิมเป็นึ้นมากก็เวทนาทั้งญาตทั้งคันเวิยนยานหรือว่าข้องลูกทั้งตาหูจมูกเล่นกายก็มาประจันาทีเลยส่วนตัวโมโนแท้แท้ยังไม่ไลู่อยู่เฉพาะหน้าไข้รับทั้งผัดคือเมื่อลู่หายใจเวยญญิยนยานโมโนเวยญญียนยานก็เป็นข้องโลกค้องใจ มันรูห้หายใจมันรับอารมณ์ทั้งห้าเมื่อตาเห็นสิ่งไรมองเห็นสิ่งไหน่ารักนีนกน่น่าสั้นมาอย่างนี่น่ากลัวก็ไม่ใ จ, จกันนั่นละเป็นคนจะกลัวเพราะมันถึงกันเข้าเดียวแล้วที่คืว่าตาเห็นสิ่งเป็นน่ากลัวกับใจก็เกิดกลัวกันเลยหยาดเลย ถ้าเป็นนาลักเกิดลักขึนเลย้เป็นนาตั้งทั้งเลยเกิดตั้งขึ้นมาทันทีเลยจะไม่ใจเรียกว่าใจเป็นผู้รับรู้ยินย่านกับประว่าเป็นเชียงมารับเสมูงได้ยิเสียงเป็นมาลักนี่นาตังนี่เป็นนา่างนี่เป็นนากรัวได้ยินเสียงได้นินเสียงเสือห้องอย่างนี้แล้วพอได้ยินก็เกิดกรัวทั้งใจเลยพวูได้ยิน พ่อจะหมู่เลยทีนว่าเหม็นหรนือไงก็รู้ทังใจเลยไม่พ่อใจไม่นิ่ดีเกิดนิดลายปิดดังทะเลในรถพอ ด, ดีก็เลียกว่าพดีหวานกันไปเลืสมเลือแข้งเลืเเลจีดเลดจางอะไรอย่างนี้พ่อแม่นใจนั่นลยจะเกิดนินดีนิรายนี่รถก็ไม่ใจ แตเกิดชอกใจเลือดประชอบในรถนันน์สมเลือดหวานเลือเย้ยเกินไปเะยรเรานี่ยตแไม่ใจน่และเป็นผู้รับเนียกว่ามาท่างงานฉากตื่นกันมาแล้วใจนี่เท่าก่าเป็นโ่อ ง, งานฝากแต่เวีญนานก็เหมือนเวี ญ, ญ, ญนานมโนเว ญ, ญญานเนี่ยมาคลอยรับหลุ ย, ยเราจะพน่าอีกเลย จอว่าจะเกิดนิีงยิ่งไรเกิดโลโกรอลงอะไรใจไม่ใจต้องเดียวต้องนั้นวันนั้นยนกุศลกรรมบทลงไม่ละเอียทอดไหรวันนี้ยนดีเพื่อมีจังน้อย <c oughs> เอาอเอาเรื่องนี้มันบ่ทันจบ นี่ละกล้องเชื้อตัวนตัมันนัเป็นแหล่งที่ต้องล่องว่าไอ้ตัวเล่ากับต่อใจเป็นตัวเดียวกันอายใจว่าม่ยึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนตัวเล่าของวมีตัวตนเล่าของวิมีทั้งนี้ทั้งท้ายยางเราต้องหลับยางที่บายมาแล้ว มันเท้าที่ยึดติดถือกันนี่มึงต้องติดถือเอาที่เกินยง่ะได้เรยวไหมส่วนร่างกายเราคองไม่ได้เพราะเป็นสภาพแย่แก่ตายถ่านยานันปูยาตายายของเรามันดวนวิจารของเราเอาอาปารุ่งคงยังอยู่อะเรว่าถือว่าไหน เอาเป็นตนเป็นตัวที่จริงไว้ได้แต่จะพูดทั้งว่า ด, ดีก็น่าว่ ด, ดีที่สุดน่าว่าเป็นคุณสมบัติันพิเศษที่ใดมากเป็นลูกมนุษย์นี้สามารถจะทํำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสร้างต่อข้างลอได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสร้างต่อเล่าให้เป็น เป็นเทพภูมิทักงไดเป็นเทวดาทั้งใดเป็นพระอาวียาเจ้าภูมิทัศน์ทั้งใดเป็นพระโซดานัา้นขา้าตาค้าอาณาข้าละท่านได้ทางนั้นทั้งได้เกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้จึงเรียกว่าลูกสมบัติคือร่างกายที่เรามาได้เกิดเป็นชาติมนุษย์ได้ลูกมนุษย์คนนี้จึแเรวเป็นสมบัติอันวิเศษแต่ให้รู้ว่ามันเป็นสภาพแก่แก่ตาย พอนเล่าจะตายนี่แกแล้วกว็แกกันเรื่อยมาแล้วยางแกเปิบบพพดเผยก็ยางบอกบอกผู้สาชื่อพระเขาหรืออะไรไปแล้วให้กระล่ยเลียนแกแกยางเปิดเผยดูอยู่แล้วยางแกยางฟุกฟิตกันหมายทางแกอยู่ในขั้นเรียกว่าขั้นแกเป็นตัางขั้นแล้ว งา น, น, นเดือนนี่เลาต้องเตรียมยง่งแทนเมือรู้ออกจากนี่แล้วพอแล้วโอ้มานแกแล้วก็ยังต้องรู้ต้องแทงพวองแก่ควองตายก็มาแต่พ้องกันคนหนึ่งโดยลำดับมาทั้งทั้งแก่ทั้งแกท่แกทั้งตายพ้องกั น, กนเกิดแก่แค่ตายพอเกินแล้วก็แก่แค่ตายมาพ้องแต่วันเขับวิติศน์แต่ที่แรกในแก้คืน เหมือนเดือนข้างขึ้นแก่ขึ้นแล้วเหียว่ายายเรียกว่าจะเริ่มเติบโตแก่ขึ้นไมนเดือนข้างขึ้นธนายูเจ้าเจ็ดไปแล้วแม่นเดือนกระเพงแล้วร้ อ, อยสามสิบห้าปียังนี้นะบอสแต่พุทธไม่นี่จะไม่เดือนกับว่าเที่ยงเพ่งแล้วกลางเดือนแล้ว อี่เปล่นทั้งหาที่เปี่นหนเ็ีไปแล้วนว่าจะไม่ลี้ยัคคุณแต่คาเก่าคไปแล้วกตที่รับแล้วคำว่าน่าดีจอันนี้คนเล่าจะมาขาดทุนที่มาทะโนทะนอมเรี่ยงดูอแต่ร่างกายในปัจจุบันนี้ แต่พู้ดุทเจ้าก็ให้ว่ามเส้นประโยชน์สอนอย่างละ่ะอาิถาทั้มีการขาประโยชน์ประโชน์ ป, ป, ป, ปัจจุบันจะแม่คนควยแม่สัางไม่ทําก็ไม่ได้มันไม่มีความสุขก็กมุ่งวรโลกเกียร์สุขไม่เกิดเป็นทัศลกลกเป็นทันโอกเกียร์กเกียร์ทัศก็ให้ไม่ความสุขบ้างแต่ว่าจริงๆหะพุทธเจ้าจะต้องอนุญ ไมทั้งประโยชน์ปัจจุบันเรีว่าอาถรรทั้งนี้ก็ ท, ปทปกาประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ร่างกายแก่คนสมบัติในวิเศษที่เราเลยมาเกิดนี่อให้เรายู่งจำใบจะให้ทุกข์ให้จนจะให้ต้องยากลําบากอะไรไความทุกขบ้างอะไรประโยชน์ศสนาทแเลาวซ้า ใช่หรือไม่สามปัญญาสามปาราเหกาประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ศาสนาแต่เสียนีการฟังเทศฟังธรรมยังนี่แหละเมื่อฟังดูแล้วก็รักษณะสินหรือหายท่างรักษณะสินภาวนาเรียกว่าทั้งประโยชน์ศาสนาเรียกว่าสามปาราเหกาประโยชน์นี่เป็นประโยชน์แก้งใจเป็นประโยชน์ของเช็ดใจสี่ประโยชน์เขาจุวัานี่ทัาประโยชน์เรียงดูรักษาคุณสมบัติขึ้นใจน้ไว้ ทำไมม่ล <sorta> ่างกายแล้ววัตถิธรบดีทั้งตัวก็ได้เมื่อนี่ล่างไม่กายเป็นนู่นแล้วเล่าถสางเอาคนดีคนงามคนดีอย่างไรก็ได้เล่าถึสางเอาฟ้องตัวอย่างไรก็ได้จะสางเอาจะสางตนเป็นส้นนันลบก็ได้างตัวเป็นเตก็ได้เป็นทรวายก็ได้เป็นสั้นีั้ก็ได้ยางแสดงมาแล้วแต่ใครจะสางเอานวัตถุกมากดีจริงแล้วคณก็บาดคื่น ข้าพเจ้เกิดเป็นมนุษย์ไม่หลังเป็น ม, มนุษย์ได้หลัง่งกายเป็นมนุษย์นี่จ้งว่าเป็นคุณสมบัติวิเศษใหม่เป็นคนุณใบบาทแย่จะลีดิดมนุษย์นวมโ่กดีที่สุดทั้งได้เกิดคุ้มพระพุทธศาสนาในยินในฟั่งอย่างนี้แล้วด้วยการดีมากทีเดียวแช้ประโยชน์ต้องอย่างในคิโ ด, ดู ป้าเจมเป็นจะต้องทํานั่นแหละได้อันใดให้หนึ่งไอ้ชิดแบงดูอะไรไม่เป็นของท้าวอนมนันคงวกกันอะไรงูยมากอายน้อยก็กันตายก็ใจลุงนั่นงคอนห้าก็ใจแท่าใจเดิมอะไรมันคงวกกัน อันใดท้าว้อนก่อการยื้อนั่งก่อกันแต่กันคนนี้บัดการกระทั่งว่าต้องเรีงเราจะให้รู้จักประมาณโดยมากคนมาเรียงเอาแต่ร่างกายชนุวรลุงเอาแต่ร่างกายอย่างนี้ร่างกายของตัวบางหลุดไหมอยบุตรกาไม่ใช่เอาที่เ ร, เรียงได้ดูกันเท่านั้น อันไหนทึ้งเลี้ยงขนไดทีเลี่ยงว่าให้การเรืองตบโตเลี้ยงลูกเลี้ยงบุติดายยิงขาใหเพื่อความเรื่องเติบโตจนเป็นลุงเป็นสาวเขาพูดเท่าเท่านั้นแต่ว่าอั้งุ่มาแล้วพ็วบนวานอะไรเ ล, ล็กการเรื่องขึ้นคิดดูว่าเดือนรลางคืนกล้งแรกอะไรมานน่าก็กัน พบทอม่วงพรากันแต่บางขึ้นก็นย่งางถังปูตาน่าเลกากับหว่นี้บางเครื่ก็เรียวกว่าการขึ้นน่อยกลางวันมากทางนี่ทรับหรหลอกล่ะแต่ห่างพราะแฉกกันได้นี่ยเรียงของเหล้าเนี่เ้เ น, นี้ยแสดงเรียงของกายของใจเหล้าร้วมเทวาธาทหกมาทั้งขั้นโยตัว มนโนธาตเคื่อยแฉ่แฉะเดิมแล้วก็เรียกว่าธาตุเหมือนกันแ่หากุวัดคอคอที่วะเจ็บปานโยค่าวาจรปฏิบัติทั้งนี้ร่องตาเห็นถ้ำเรือมีถ้นถ้ามาใจอยาขอต้องถ้ำรูเรียกเพื่อนุ่งตาแก่สารในตนแล้วเห็นจิตแท้จิตเดิมเมื่อเปนชิงไม่ตายเรียกว่าเห็นนามาตะถ้ำที่ไม่ตายแล้ว พอเช่เราผูรู้แล้วผู้เจียบุญเชรกรรมของไม้ข้อมว่าเราจะทําคข้อดีแก่คิดแท้คิดเดือดนั่นแหละทาัานเจ้านี่แสดงว่าท่าทั้งหลายนี่ใจเป็นใหญ่นี่ใจเป็นหัวหน้านี่ใจเป็นผาทพานการทํามบุญท่าบาปทั่งแล้วแล้วด้วยใจ เมื่อท้าบุญก็ไมตบุญจะไม่ใจน่ะเป็นบุญเมื่อท้าบาปก็ใจน่าอะเป็นบาปเมือม่อท้าโทษก็ใจน่ะได้รับโทษเมื่อท้ากุ้งก็ไม่ใจน่าะได้รับกุ้ก็ อ, อยู่ดีสบายตอนกินข้าวเสียต้องรับสบายไม่ไม่แวงมัน ม, มีไพ่ไม่ไม่สัดันพูดเรื่องน้แม้เป็นหน้าต่าเวทแต่ทีจ่จะน่ นคนรวยนี่แหละบอนขาดทุนโดยมากคนเรานน ง, นรง า, าคนคุ้นจงจังมากคนดีจังนีน้อยแต่พก็มาขาดทุนตอนจะมาเลี้ยงหออแต่ลูกหน้าขันหางเลี้ยงตัวแร่ลูกเมียบุติด่ายิ่งไส้ตลอดทจงตายไปเมื่อใดทัางบุญใ ท, ท่านกันกบเขากระไรเมืท่ท่านกรตังว่าแต่ท่านทั้งบุญทําท้างกระตั้งวาแต่ท่านไป ขอที่ว่าเมื่อเห็นคิดแท้จิดเดิมที่ว่าเป็นนามธรรมท่านที่ไม่ตายที่วัฒนาว่าจะจะพุ่นลุ่มเรที่วายแค่ไปถือเอาคิดแท้คิดเดิมที่เป็นของไม่ตายว่าเป็นต้นตนก็ไม่ชอบเป็นกลางๆางเมื่อมาเกิดเป็นคนก็เรียกว่าเป็นในตัวเป็นคนในชีวิตเป็นคนในชีวิตเป็นคน ชีวิตของเราบางทีก็ไปไลยชีวิตของทนะุนนะักก็เป็นชีวิตนะวอของสุนะสก่อนเหมือนเมื่อแรกเกิดเป็นทนนักกดไปที่กับไปเกินชีวิตไทยทุนนักให้กลุ่มเป็นโยของตุนนักทุกอนตลอด้ะงอค่อยชังมาหาเศรืฐีว่าเป็ี่นตัวเราม่ไดเงินไม่ยนะอมมาชอบนีเศรีบัตรให้เพิ่มกุมดีให้มากขึ้นอยรยว่าซุกขอบปูนเนยุกขอบปูนเนีทาผ้าเคนโ ถ้าผูดด้ใดท่านทมบุนใส่ใจตวัวหน่อมากก่อนหมาาถึงคนทุกข์ทุกข์ขอป่าภษาษ่วยใจโยถ้าผูดด้ใดท่านทําบาปไปม า, มากาก่อนหน้าเราถึงคนกลุ่มจนคนจนที่สุดเคยเห็นไหมทุกที่สุดเคยเห็นบอกคงจะไปเห็นในเมื่อไม่น่านั่นละบอก ยังน้อยของเราถยายเรียงสั้งเล็กพุ่งเป็นกว่นนี้วิธีการปฏิบัติเราก็มีนี่ในเล่เาเรียงความเป็นอย่ของเราเท่าที่เกิดมาและกันเกิดกันตายและการตาแวงฮาที่เกิดก็เหมือนกันก็บว่าไส้หนุน่มแหวงฮะโครง พวกเต้าหน้าของราขแต่งงานกับพวกเ้าหน้าพวกพ่อค่ากัแต่งงานกาับพวกข้อค่าพวกขัรศกา ร, รการแต่งงานกับขัรการแต่พวกขัรศการนี่แปลว่าเป็นสานายณะยมสมคนไหนแต่งเอาได้เรื่องเป็นเจ้าเป็นนายเป็นนายลอยนายพันเป็นป น, นานนยนนนนอัเพลย์จะเป็นมากไปสอบตอนไหนแต่งเราได้ละบันหนอกของหน้าป่ะเทเห็นสวยๆแต่งเานนงได้ พอเป็นผุ้มีคุณสมบัตแล้วหมายความว่าผู้ใดทำคุณดีไว้แล้วก็แงว่าเป็นพอคุณก็บัติ้องคิดใจหาคิดใจมีบุญมีกุศลแล้วเมื่อไปเกิดเป็นข้อนก็แงว่าเป็นข้นถึงไปเกิดไม่เป็นศาสได้ไรแล้วถ้าเป็นฆนาคันไม่อำเภอเ ร, รือ อาการเรื่อพวกวิาคานกันด้วยมากสมัยปัจจุบันนะก็เป็นลูกทัง้งให้ทั้งหน้านั่นแหละแต่ก็ไปลูกไปใดลูกเจ้าลูกหน้าเป็นลูกเจ้าพญากันนี่ใดลูกพญานใดลูกเจ้าขันตงตงก็มีอยู่แล้วแต่ทานะศาสตร์ะโกนคุค้นสมบัติเท่าที่ตนค้นคอยทำไรได้ขนาดนี้ พวกคนไข้คนสมัครเสตโดนนีนตั้งเกางบางคนก็นงหลูกไปเหล่าไปเลี้ยนเลี้ยนสูงไม่ได้กเรียกว่ามืี่คุ้ลสูงหรือลูกคนสมัครได้มากแล้วกรณีนีตีโทเอกน้าจะต้องการยังไงกันอะไรอีกละ่ะ<ม>แ่งเอาไรเพราะนี่เรีกว่าทงคมคนดีใสตโนได้รับพรปัจจุบัน ก็ได้เป็นลูกเศ้าหน้านี่แหละได้เป็นเจ้เป็นได้เลยมากสมัยกับยุันนี้อันนี้สนลู์วอใจ้ความว้นอนคอม้อนที่เอาได้บันบรรดาบา ท, ทั้งหลายร่วมโยอากุศนกับมดที่ประกาศมดเลยบรรดาบุญทั้งหลายร่วมโยจี กุศลกรรมบดหมดฮันยอ น, นกศลกรรมบดเจประการอากศลกรรมบทเจประการ <c oughs> ย้อลงไปให้หน่อยลงไปให้เข้าใจใง่ายๆกุมากายากรมสามว่าเจกักมสี่มเป็นอนกุศลกรรมบดเกตกายกักมสามฆ่าศาส ด, ด้วยกาย นาบต่างแตงมาแรงมีมาแรงวันเรีนยนงงงดงามหมดขั้นหมดดำหมดแดงเป็นต้นนาบแตงตาตอแหลเขี่ยตลอดทั้งตอยายที่สุ ด, ด, สดเรียกว่าการทั้งบาด้วยกายสองขมุ่ยของเขาได้กายสามเล่นลูกเมียเขาพวกเขาได้กายเรียกว่ากายทุกจิตสามเป็นอากุศลกรรมบทสาม เชืังกรทั้บากร้อยกายสามอย่างอันนี้ก็เป็นกินเลยนะี่ยอนี้มากี่กัมเสีเนื่องพูดเท็จข้ามาจริงเขาเรียกกันว่าตัวโดยมาคือพูดเิดจากความจริงเรียก ว, ว่าตัวสองพูดต่อเสียกโยงๆแี่เขาแตกเล่าจากกันขาข้องนับขากโลกนับเพื่อกัน ไปส่งคอส่องห้ากันไปย่อให้เขาแตกกันคือน้ำเลี้ยงแม่ขอไปอรับซอแของในเลี้ยงของนอม่อนขอเพราะแม่ซับซอน่ขออีกใน่าวาซอเสียซอเสียนยยงหงายค้นของสกุลนี้สองประเภทนี่แตกของแตกเรลาตมาเชีกันขาดละขัดแท่งกันขาดส่งคอส่องห้ากัน เหมือนกับว่าแม่เม่แม่ผึ่งคือกว้อนยาศูนย์แตกปึงแล้วแตกทมากี้กันขาดข้อนนาคือกันเดี๋ยวมาพูดต่อเสียพูดข้ามยาไม่หมายข้อมโกรธถ้าเราโกรธเราเครียดหรือเราสั้งแปลงว่าจะออกไปจะแปลงว่าจากขับโหม่หรืกระเมียกับพี่กำนองไถ่ก็ตามถ้าโกรธแล้ว เ้าเรียกว่าข้องกดันเป็นขำ้หยาบขั้มหยาบนันแทงออกไปนั่ถ้าไม่ฟูดได้ยินได้ฟังบอสบาําใบโหบอสัมใบใหญ่นี่ยเป็นลักษณะของขัามหยาบแล้วกว่าตาล่าอมคมรักตาล่องคมักคมหักขนาดคนจะเลยเป็นบบาคมห้างสามีห้างก็เพาะ้องโกดของแยะกันนี่เป็นบ่กกนลไ มันตัด ล, ล่องของรักชอดมันมันอยู่ไอ้เส้นนี้เส้นนองขนาดเจ้าเลยไม่อรักกันเแท่มันกันยังนี่แหละเพื่อนเออขึ้นท่อหัวเขาท่อทอหัวเขามาล็อกไปมดไปเลย นี่มันถ <c oughs> ามมีค้ำหยากบพูดเพืเอ่อเจอแล้วหลายหลาประโยชน์นั่นขอสีว<ม>่าเฉยจุดจิตสีพูดเพืเอ่อเจอแล้วหลายหลประโยชน์คือไม่เป็นประโยชน์พูดเพราจะจากเหตุและผลไม่เป็นประโยชน์แกตนผู้พูดและคนผู้ฟังพูดฮ้อนล้อเออ แลิกที่ห้ากัน้นเหรียไม่มีประโยชน์เรียกว่าเฟอร์เจอเรียวไหลแต่นี่ก็เป็นอาการอีกละเพราะท่านเ่าท่านเป็นบาปแท่องยกออกไว้ต่นี่เป็นกิเลสหยาที่ทำตัวหมาหมาพุพทธนแทะได้แกมาโนกรรมสามล่วงลงไปเยอะสาม หนึ่งใจโลกจากไดนของเขาสองใจโกรธพาบาทกองลายเขาสามใจเห็นพิษจากคานองของทําม